แต่การเจริญธรรมะเหล่าเนี้ยนะถ้าใครที่เป็นนักษาทยายก็สาธยายแบบเจริญพุทธานุสติก็ได้ในบทเหล่านี้นะทุกบทนี้เอามาเป็นบทเจริญพุทธานุสติได้แม้กระทั่งว่านะตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ข้อแรกๆก่อนนะเรามาดูในหน้าแปดเนี่ยนะหน้าแปดข้อสิบหน้าแปดในเอกสารที่แจกไปเนี่ยนะข้อสิบมานะัธาปฏิสัมพิธธรรมะก็ดูข้อสิบเอาไปแล้วกัน ว่าอย่างถ้าใครจเจริญพุทธคุณจเจริญลักษณะว่าพระผู้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้ตรัสรู้ทุกทุกขสมุทัยทุกนิโรธทุกขานิโรทขโรคขามินีปฏิปทาขอ น, อนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้รูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรทคขามินีปฏิปทาโอ้นี้ถ้าได้ฟังสาธยายนี่จะแพ้ร้อยศัพท์านใด เ อ, อมีคำถามเรียกเรียนถามครับสําหรับการเจริญมัชมีองค์แปดนะครับซึ่งเ อ, อตามพระพิธรรมก็คือเจ็ดสิบแปดประเภทแปดวงในสมัยก่อนที่มีการปฏิบัติกันเนี่ยมีการระดึกสภาพธรรมะเนี่ยก็จะแสดงว่าเป็นการเจริญมัชมีองค์ห้าคราวนี้การเจริญมัชมีองค์แปดนี้แยกกันเจริญเป็นองค์ๆหรือว่าอย่างมีที่แสดงว่ามัชมีองค์ห้า ถามในอภิธรรมเนี่ยเป็นองค์ห้ายัางไงครับเพราะว่าบางทีเห็นว่าเป็นโลกุตระองค์องค์ห้าในคำพีวิพังในสัจจะวิพังไอ น, นั้นเป็นขนาดโลกุตระเนี่ยนะเป็นการไม่พูดถึงววรตีเท่านั้นเองไม่ใช่ที่นั้นไม่มีววรตีในในวิพังนะสัจจะวิพังสัจจะวิพังโดยเฉพาะอภิธรรมภาชนีนั้นเป็นโลกุตระทั้งหมดนะนะเอ่อซึ่ง เจตสิกห้าดวงเนี่ยนะถ้าถ้ากล่าวว่าเป็นมรอย่างนั้นแม้แต่ให้ทานก็เป็นมรใช่ไหมรักษาศีลได้ตั้งหกดวงด้วยใช่ไหมรักษาศีลนี่ได้องค์หกเพิ่มบิระตีมาธีโลองทีโลองทีโลองทันเจริญเมตาก็องห้าซึ่งนัยนั้นเนี่ยเป็นการแบบเขาเรียกว่ามรขปใจเนี่ยนะซึ่งมรขปัจจัยนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าจิตนิยามเนี่ยถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดเนี่ยนะสี่ที่เหลือก็ต้อง เกิดร่วมด้วยถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจยากจะกล่าวถึงในประเด็นที่เราพูดถึงเลยคืออย่างอนิจานุปัสสนาในอะไรในรูปก่อนนะรูปนั้นคำว่ารูปมีองค์ประกอบมีอะไรบ้างคำว่ารูปก็คือที่รวมของมหาพูดเนี่ยนะอัวีอาโปเตโช ว, วายโรวมกันเรียกว่ารูป เป็นที่อาศัยแห่งอุปาทายรูปคือสีกลิ่นรสและโอชาที่นั้นก็ต้องมีสีมีกลิน่นมีรสและโอชาพวกนี้เป็นรูปอาศัยเรียกว่าอุปาทายรูปรูปใดที่เกิดจากกรรมรูปนั้นจะมีชีวิตมารักษารูปนั้นจะมีชีวิตมาจะรักษา ถ้ารูปที่มีกรรมที่เป็นใหญ่สร้างมาให้เห็นรูปนั้นเรียกว่าอะไรจักขู่ภาษาทะ ร, รมนี้ใหญ่มากเลยเนะยทำให้รูปเนี่ยเห็นได้อะเนี่เรียกว่าจาักขู่ภาษาทะคำนี้สร้างให้ฟังได้เรียกว่าโสตต์ภาษาทะรมนี้ทำให้รู้กลิ่นได้เรียกว่าคานาภาษาทะรู้รสได้เรียกว่าชิวหาภาษาทะ รูปโพธภะได้เรียกว่ากายภะษาทะแล้วก็สร้างความเป็นใหญ่อีกตัวหนึ่งคือภาวะเนี่ยนะภาวะรูปความเป็นใหญ่แห่งความเป็นหญิงและเป็นเป็นชายในรูปที่มีที่มุ่งจะกล่าวคือรูปที่มีกรรมเป็นสมุลฐานเนี่ยนะเพราะรูปเกิดเพราะอาศัยกรรมเป็นตัดใจใช่ไหมอาศัยกรรมเป็นตัดใจ แต่ในขณะเดียวกันนั้นกรรมมชรูปต้องมีอาหารชรูปเป็นพี่เลี้ยงนะอาหารชรูปเป็นพี่เลี้ยงเวลายกแขนนี่ยกกรรมมาชรูปด้วยไหม ย, ยกด้วยไอตัวที่ยกเนี่ยจิตแต่ชรูปนะแต่ทําไมมันไปกรร ม, มชรูปไปด้วยละ่ะเออกรรมมาชรูปก็ไปด้วยใช่ไหมเวลายกแขนเพราะฉะนั้นอันนั้นจิตตชรูปก็เป็นไปทีนี้เมื่อรูปทั้งหลายเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนี้ น, นะก็รูปทั้งหลายก็เป็นสี่สมุดฐานอย่างนี้ทั้งโดยอัฐารูปในชาติที่แล้วก็เป็นไปตามสมุดฐานใช่ไหมอนาคตอัฐาก็เหมือนกันปัจจุบันนะอัฐาก็เหมือนกันอัฐานี้หมายถึงชาติเลยนะว่าเป็น ช, ชาตินะนะรูปของชาติที่แล้วก็เกิดจากสมุดฐานสี่รูปชาตินี้ก็เกิดจากสมุดฐานสี่ถ้าจะเกิดชาติหน้าอีกเล ก็ดำรงอยู่ด้วยสมุทฐานสีนั่นแหละอันนี้เรียกโดยอาาัฐาทีนี้ในอัฐานั้นเรามาพูดเฉพาะปัจจุบันนะอัฐาพูดจุดปัจจุบันอาาัฐาว่าปัจจุบันาาจจบนะอัฐาเนี่ยนะแบ่งชีวิตไปตามไหนดีหยาบมากๆากเลยนะสามวัยกันล้วกันสามวัยนี่หมายว่าปฐมวัยมัชชิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยไม่ใช่สามวัยตามเพลงนะคนละอย่างกัน สามใบตามเพลงเนะี่ยของมันยังแปลไม่ออกเลยแปลว่าอะไรไม่ทราบแปลว่าอะไรพว ก, กันอ๋อใว้มันสามหมดทั้งสามใว้เลยนะไหมวัยยะแปลว่าเสื่อมใช่ไหทีนี้ถ้าประชีวิตในปฐมวัยรูปทั้งสี่สมุธฐานก็ดำรงอยู่ด้วยสี่สมุธฐานนะรูปในมัชชิมวัยปัะชีมวัยก็ดำรงอยู่ด้วยสมุธฐานไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆจนเหลือเฉพาะสมุธฐานสี่ประการนะ ถ้าพูดตามสมุดฐานนะเขาเรียกว่าศีสะศว์สีสารูปหรือเขาเรียกว่าสีา ส, า ร, ร า, รรสารูปใช่ไหมหรือประธานของรูปรูปเนี่ยประธานก็มีกรรมมชรูปจิตต่ชรูปอตูชรูปและอาหารชรูปเนี่ยนะบางทีก็เรียกประธานหรือเรียกว่าสีสัตว์เพราะฉะนั้นท่าที่ใดกล่าวมหาพูดที่นั่นก็จะว่ากล่าวกล่าวอะไรนะกล่าวสมุดฐานสีด้วยในตัวถ้ากล่าวจากโคที่ใด นามทั้งหลายที่อาศัยจากขู่เป็นปัจจัย ก, ก็เท่ากับแสดงแล้ว น, นะถ้ามีนามมันก็ต้องมีอะไรอารมณ์ใช่ไหมเพราะว่าจากขู่ในฐานะเป็นทวารก็ชื่อว่ากล่าวกล่าวอะไรถ้ากล่าวนามอย่างนี้ตัววัตถุ ก, กับตัวอารมณ์ชื่อว่าแสดงแล้วเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงตาก็ชื่อว่ากล่าวเออกล่าวถึงหูก็ชื่อว่ากล่าวนามกล่าวถึงจมูกก็ชื่อว่ากล่าวนาม กล่าวถึงลิ้นกล่าวถึงกายกล่าวถึงาวะทั้งหลายก็เพราะพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งนา ม, มาธรรมทั้งหลายเป็นวัตถุและเป็นอารมณ์ของนา ม, มาธรรมทั้งหลายทั้งเมื่อก่อนเนี่ยนะจักรครูก็เป็นวัตถุของนามอดีตอนาคตปัจจุบันวัตถุทั้งหลายก็เป็นวัตถุแห่งนา ม, มาธรรมทั้งหลายทีนี้ผู้ที่เจริญตีรณปริญญามากๆก็คูณสี่สิบใช่ไหย นัก่าแบบทีฆานัขาสูตรก็ย่อๆง่ายๆก็คือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังฝีอ่ะนะจริงๆไม่ใช่ดำหรอกฝีเลยแหละเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นผู้อื่นอนัตตาเนยนะอ่าเป็นผู้อื่นเป็นดังผู้อื่นตัจโตและก็เป็นของไม่ใช่ตนอ่ะนะอนัตตาโตเนี่ยอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตน ถ้าหากว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นแหละใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามธรรมชาติของรูปทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อรูปทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะผู้ที่อบรมอนุปัสนาอบรมสัมมาทิฏฐิคือตามเห็นพวกนี้ทั้งหมดโดยอนิจจงคือสภาพของรูปเนี่ยมันเป็นอนิจจงปัญญาที่ไปเห็นรูปอนิจจงแบบนี้ปัญญานั้นชื่อว่าอะไร เชื่อว่าอันนี้อนิจจานุปัสสนาอันนี้เพราะอนิจจานุปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาอ น, นิจจังเป็นชื่อของรูปเ น, นี่ยนะรู ป, รปตัวรูปคือตัวอ น, นิจจังละ่ะใครจะเห็นหรือไม่เห็นรูปกว่า น, นิจจังวันยังค่ําไม่เคยมีรูปไหนิจจังสักรูปหนึ่งหรอกที่สุรูปหนึ่งเนี่ยไปถามมาฆาแก่พระองค์ผู้เจริญมีหรือไม่พระเจ้าค่ะ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่มันเที่ยงดํารงอยู่ด้วยเหมือนความเป็นของเที่ยงมีอยู่หรือไม่พระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าไม่มีเลยทิกษุแล้วพระองค์ก็หยิบก้อนขี้วัวมาก้อนห น, นึ่งเล็กๆนะแต่ว่าแม้แต่เท่าก้อนขี้โคเนี่ยมันก็ไม่มีรูปที่มันเที่ยงถ้ามีรูปเที่ยงสักแห่งหนึ่งที่มันเที่ยงแม้กระทั่งเท่าก้อนขี้โคเนี่ยนะการประพฤติอริยมรักไม่มีประโยชน์การเจริญอ น, อนุปัสนาเป็นต้นไม่มีประโยชน์เลย เพราะการเจริญอนุปัสนาเพื่อจะออกจากทบใช่ไหมเมื่อมีรูปเที่ยงแม้แต่หน่อยเดียวเนี่ยนะการเจริญวิปัสนาเขาไม่มีประโยชน์อะไรไม่จําเป็นต้องไปเจริญวิปัสนาอะไรเพราะฉะนั้นถ้านิพพานของรัฐที่ใดที่สันเสริญว่ารูปเที่ยงรัฐที่นั้นจะไม่เจริญอนุปัสนาเจจะไม่มีการอบรมอริยมตรตมีองค์แปดเพราะอะไรเพราะว่าทบของเขามันเที่ยง นะลัทธิอื่นลัทธิในยุคนี้แม้กระทั่งของพุทธในยุคนี้นะก็ถือว่านิพพานนี่มีขันห้าใช่ไหมนิพพานยุคนี้มีขันห้ามีไหมอาจารย์ น, นิดมีหรือไม่มียุคนี้มีนะ <c oughs> นิพพานยุคนี้มีขันห้านะซึ่งต่างจากนิพพานของในพระไตรปิฎกอนะถ้านิพพานแบบนั้นนะจะไม่มีการเจริญอนุปัสนาเนี่ยนะ แต่ถ้านิพพานในพระไตรปิฎกจะเจริญอนุปัสนาเพื่อพ้นจากรูปท่านจะต้องตามเห็นรูปโดยความเป็นอันนี้จังเพราะว่าถ้านิพพานเป็นรูปนะสมมติถ้ารูปเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกเมืองแก้วเนี่ยถ้าเห็นว่านิพพานเป็นเมืองแก้วเนะีกล้า น, นึกหรือเปล่าว่าเมืองนั้นก็ไปเที่ยงเลยนะเไหมไม่กล้า น, นึกในชะ่ไหมดินแดนแห่งนั้นก็ไม่เที่ยงก็ไม่กล้า น, นึกเพราะที่นั่นมันอมาตะจะไม่เที่ยงได้ยังไงมันต้องเที่ยงสิ เพราะฉะนั้นก็จะเชื่อชมว่าที่รูปรูปประคันณที่นั้นเนี่ยเที่ยงจริงๆแล้วรูปที่เที่ยงไม่มีรอกตัวตัวรูปเนี่ยเป็นตัวทุกขังใช่ไหมตัวรูปนี่เป็นตัวทุกขังปัญญาที่ตามเห็นรูปโดยทุกขังเรียกว่าอะไรทุกขานุปัสนาเนี่ยนีตัวรูปเป็นตัวอนัตตาสภาวะของรูปทุกรูปเป็นอนัตตาอัญญาที่ไปรู้รูป ที่เป็นอนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสนาทีนี้เขาโดยโวหารนะว่าผู้ใดมีอนัตตานุปัสนาะผู้ใดมีอนิจจานุปัสนาเรียกว่าอนิจจานุปัสสีใช่ไหมผู้ใดมีอนิจจานุปัสนาเรียกผู้นั้นว่าอนิจจานุปัสสีผู้ใดมีมีมีทุกขานุปัสนาเรียกว่าทุกขานุปัสสี ผู้ใดมีอนัตตานุปัสสนาเรียกว่าอนัตตานุปัสสีแต่ถ้าพูดแบบย่อๆรูปก็คือกายใช่ไหมผู้ใดมีอนุปัสสนาสามในกายอย่างนี้บุคคล น, นั้นเรียกว่ากายานุปัสสีเนี่นะกายานุปัสสีบุคคลคือผู้มีอนุปัสสนาตามเห็นกายโดยอ น, นิจจังทุกขังและอนัตตาปัญญาอันนี้มีชื่อว่าอะไร สัมมาทิฏฐินนสัมมาทิฏฐิอันนี้มีชื่อว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิอันนี้ใ น, นตัวนี้นะผูท้ที่ตามเห็นด้วย น, นิจังทุกขังอนัตตาในสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิทีนี้ถ้าอนุป 3, ัสนาสามแนวเหล่านีบ on, ้นรบริบูรณ์อะไรบริบูรณ์นิพพิธาบริบูรณ์ถ้านิพพิธานุปัสนาบริบูรณ์อะไรบริบูรณ์ วิราคาบริบูรณ์วิราคานุปัสสนานะถ้าวิราคานุปัสสนานะไล่มาเรื่อยๆบริบูรณ์นิโรธานุปัสสนาบริบูรณ์ถ้านิโรธานุปัสสนาบริบูรณ์นะปฏิเนสคานุปัสสนาบริบูรณ์จะคายไอ้พวกรูปเนี่ยทิ้งทั้งหมดเนี่ยนะก็ถือว่ารูปนั้นเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความทุกเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกหรือเป็นตัวทุกขนั่นเองอันนี้เนี่ยเรียกว่า ตัวมรคหนึ่งในมรคแปดคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะคือสัมมาทิฏฐิหรือธรรมวิจยะสัมพ่อชงเนี่ยนะพ่อชงนี่ต้องมีเจ็ดใช่ไหมมรค ก, ก็ต้องมีแปดพวกอนุปัสนาเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเจริญจนบริบูรณ์อย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญสัมมาทิฏฐิที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราทะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ เพราะในระดับโลกิยะนั้นถ้าจะเรียกว่าเจริญทีละองค์ก็ไม่ผิดอะไรเห็นไหมระดับโลกิยะเนะี่ยทีนี้สมาเ อ, อสัมมาทิฏฐิหรือตัวนี้เนี่ยนะกับสัมมาสังกัปะถือว่าพูดแล้วเพราะว่าถ้าสัมมาทิฏฐิจะทํากิจได้ต่อเมื่อมีสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะ อ, อสัมมาสังกัปปะโคโจโร มีสัมมาสังกัปปะเป็นโคจรมีสมาธิฐิเป็นเบื้องหน้าอ่ะนะมีสัมาธิฐิเป็นเบื้องหน้าสูตรเมื่อเช้านะอุทัตสูตตรอะสดเมื่อเช้าเนี่ยสัมาทิสัมมาสังกัปปะเป็นโคจรเที่ยวไปด้วยสัมมาสังกัปปะโดยชี้นําตัวสมาธิฐิการเจริญนี่เรียกว่าวิปัสสนาะการเจริญดังกล่าวนี้เรียกว่าวิปัสสนา